ปฏิปทาเครื่องดำเนินที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นพาดำเนินมาไม่ว่าทา ง, ทางด้านทำด้านวินัยเป็นความถูกต้องดีงามทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ ได้ไปอยู่กับท่านและสังเกตเต็มสติกำลังความสามารถของตนด้วยมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ท่านจากไปเป็นสิ่งที่ให้ดูดเดือดทั้งหลักทมหลักวินัยที่ท่านพาดำเนินไม่ผิดเพี้ยนไปได้เลย แต่เพราะอย่างยิ่งพระวินัยท่านรักษาอย่างเข้มงวดขวดขันไม่ปรากฏว่าท่านได้พระได้ล่วงเกินพระวินัยข้อใดเลยนับแต่ทุกกฎขึ้นอาบัติทุกกฎรืออนี่ น, นับแต่ทุกกดขึ้นไปจนกระทั้งถึงสุดของพระวินัย ไม่ปรากฏท่านเก็บหอมรอมิบเอาไว้หมดสมกับท่านคารวพระพุทธเจ้ า, าศาสดางองค์เอกอย่างแท้จริงส่วนธรรมท่านก็ดำเนินด้วยความถูกต้องดีงามการฝึกอบรมบรรดาลูกศิษย์ท่านไม่ได้ถือเป็นแบบเดียวในบรรดาธรรมะ ที่จะนำมาสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์นั้นย่อมมีหลายแง่หลายกระทงเช่นเดียวกันกับที่ท่านแสดงไว้ในกรรมฐ า, าน40นั่นคือท่านไม่ผูกมัดหรือไม่ผูกขาดไม่บังคับบัญชาให้กำหนดเฉพาะทําบทใดก็ตามที่ท่านดำเนินมาแล้ว แล้วให้เพื่อนฝูงดำเนินตามแบบของท่านโดยถ่ยเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏท่านแสดงเป็นกลางกลางในบรรดา ธ, ธรรมทั้งหลายเช่นสมถะธรรมที่อยู่ในห้องกรรมฐาน40ท่านก็แสดงเป็นกลางกลางไปแล้วก็ มอบให้เป็นไปตามปริยาสัยของผู้บำเพ็ญจะนำทำบทใ ด, ดเข้าไปบริกรรมภาวนาก็ได้เมื่อทำบทนั้นเห็นว่าเหมาะสมกับจดิตนิสัยของตนแล้วได้ผลขึ้นมาในเวลาภาวนาด้วยความตั้งใจจริงจังท่านวะก็ให้พึงยึทดทำบทนั้นไว้เป็นหลักเป็นเกนฑนะ นี่ก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงบัญญัติไว้เสียเองในอารมณ์แห่งสมถะดังกรรมฐานสี่สิบห้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งธรรมทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้ว่าท่านไม่ได้ผูกขาดท่านไม่ได้แสดงลงในจุดเดียวบทเดียว บางทั้งที่พระพทุทธเจ้าก็ทรงพระญาณอย่างทราบในจัดทั้งหลายเต็มพระทัยอยู่แล้วแต่พระองค์ไม่ได้ทรงให้เป็นไปตามนั้นเพราะเรื่องของอนาคตรหรือการอยู่ของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั้นไม่ใช่อยู่ในที่แห่งเดียวพอที่จะบอกจันแนหรือจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตาม เพราะวาดของพระพุทธเจ้าที่ทรงอยากทราบแล้ว น, นิสัยของบุคคลผู้ น, นั้นๆโดยถ่ายเดียวท่านจึงวางลงไว้เป็นศูนย์กลางเช่นเกสินสิบอสุภาสิบนะหรื อ, อไออนุสติสิบนะเป็นต้นใครชอบจะหลุดนิสัยชอบชอบใน ทำบทใดก็ให้จิตทำบทนั้นเป็นหลักใจแล้วภาวนาอย่างออกจริงออกจังกับทำบทนั้นน่นทีนี้เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้แล้วการที่จะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของสมถะให้เป็นไปในแง่ต่างๆที่เกี่ยวกับด้านปัญญานั้นเป็นอีกแง่หนึ่งสำหรับที่จะตั้งใจให้เป็นหลักเป็นเจณในเบื้องต้นนี้ ต้องมีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าสมาถะธรรมธรรมเพื่อความสงบของใจเพราะปกติใจจะหาความสงบไม่ได้ต้องมีธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเช่นพุโทโธพุธโทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆบทใดก็าตามแต่ส่วนมากมักจะถูกในอนาปานาติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้ มีส่วนถูกมากกว่าบรรดาบทธรรมทั้งหลายก็ยึดทมบทนั่นไว้เป็นหลักเปืนจนกระทั่งจิตได้ความสงบเย็นใจกลายเป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าเป็นสมาธิก็คือจิตแน่นหนามั่นคงจนถึงกับความรู้เด่นอยู่ตลอดเวลา ถ้าเช่นนั้นแล้วคำบริกรรมนั้นก็เริ่มจะหมดความจำเป็นเข้าไปโดยที่เจ้าตัวก็ทราบเองเพราะมีจุดความรู้เด่นแล้วก็ยึดเอาจุดนั้นเป็นที่เกาะเช่นเดียวกับเราอาศัยคาบริกรรมเป็นที่เกาะในเบื้องต้นนั่นแหละ เมื่อจิตได้รับความสงบแล้วย่อมละเอียดเราจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมความรู้ก็เด่นอยู่ในจุดเดียวนั้นความบริกรรมก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับความรู้นั้นเสียนั่นแหละที่ว่าหมดความจําเป็นไปหมดด้วยความเข้าใจในตัวเองนี่ในภาคสมถะท่านก็สอนไว้อย่างกว้างขวางโดยยก จรรมาฐาน40บห้องไว้เป็นหลักเกณฑ์เลยส่วนปัญญานั้นท่านก็เริ่มอธิบายดังที่เคยได้แสดงให้บรรดาท่านผู้ฝังทั้งหลายได้ทราบเรื่อยมานั่นแหละมีอสุภะอสุพังอณิจังทุกขังอานาตาเป็นพื้นฐานแห่งการดำเนินงานทางด้านวิปัสสนาใครจะเหมาะสมในทางใด การพิจารณาแต่หลักใหญ่ของผู้เริ่มดำเนินทางด้านปัญญานี้มักจะดำเนินทางด้านอสุภะอสุปังนี้เป็นส่วนมากเพราะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่ทเกี่ยวกับราคะตัณหาที่ทำให้กำเริบอยู่ตลอดเวลาภายใน จ, ใจิตใจเผอไม่ได้จึงต้องได้ใช้นี้เป็น ยาเครื่องเยียวยารักษาต่อไปก็กลายเป็นเครื่องปราบปรามกันขึ้นมาเมื่อจิตมีความจำนิชจำนาญพอประมาณในเรื่องอสุภาอสุพังแล้วจะค่อยคล่องตัวเห็นได้ชัดในอสุภาทั้งหลายแล้วก็เป็นสิ่งที่ลบล้างกันกับความที่ว่าสุภาคือความสวยงามไปเป็นลําดับลาดาเมื่ออสุภาพได้เด่นชัดเข้าไปเท่าไหร่คําว่าสุภา อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงถึงกับไม่ปรากฏเลยผิวภายนอกจะสดสวยงนงามขนาดไหนก็ตามแต่ความอย่างราบของปัญญาที่มีความชำนิชำนาญใ น, นตัวเองแล้วนั้นจะยังเข้าไปสู่ภายในตลอดทั่วถึงอย่างรวดเร็วไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝึกอาสุพะอาสุพังในเบื้องตน้น <c oughs> ซึ่งล่มลุกกุกคาน จับผิดจับถูกบางทีก็ล้มเหลวไปนี่เป็นขั้นเริ่มแรกแต่เมื่อได้พิจารณาหลายครั้งหลายขนก็คืองานของจิตงานของปัญญานั่นแหละเราจะไปนับเว ล, เวลานับเที่ยวกาหนดกดเกณยนกี่เที่ยวกี่หนอย่างนั้นไม่ถูกไม่ถูกต้องเลยต้องทำงานอยู่เช่นนั้นเอานั้นเป็นอารมณ์ของใจเลย การพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆของร่างกายเพราะธรรมชาติแห่งความจริงของสิ่งเหล่านี้เป็นอสุภะอสุพังอยู่แล้วไม่ใช่เรามาดัดมาแปลงแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้เราดัดแปลงจิตใจของเราซึ่งเป็นมันมีความเห็นผิดเพราะยาพิษคือกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในด้วยสุภะสุพังคือความสําคัญว่าสวยว่างามนั่นแหละเป็นสําคัญ เพราะฉะนั้นจึงต้องดัดต้องแปลงต้องช้าต้องล้างอันนี้เพื่อให้เข้าสู่ความจริงคือตัวอรุภะอันเป็นหลักธรรมชาติของมันทั่วสารพังร่างกายของเหล่านี้จึงต้องได้ทำงานอยู่ตลอดเวลาให้ความรู้นี้ยังเข้าไปถึงอาการต่างๆอยู่เสมอเพราะอาการแต่ละอาการไม่ใช่อาการแห่งความสวยงาม เป็นอาการแห่งความไม่สวยไม่งามตามหลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นทั้งภายในภายนอกหมดสนาาันพรางร่างกายของเหล่านี้ไม่มีข้อยกเว้นเลยว่าเป็นสิ่งที่สวยงามแม่นิดหนึ่งนี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งร่างกายที่เป็นสมบัติของเราเป็นเช่นนั้นแต่จิตมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งยาพิษ ดังที่กล่าวแล้วนี้พิจาปัดให้เป็นอย่างอื่นไปเสียทั้งๆ ท, ที่ไม่ใช่ความจริงมันก็เสียขันปั้นย่อไปให้เราลุ่มเราหลงเพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงจึงต้องได้ดัดได้แก้ได้ไขสิ่งที่มันจอมปลอมนี้ให้เข้าสู่หลักความจริงคือหลักอสุภะอสุผังจึงต้องได้ท่องเที่ยวตามสนาาับผงร่างกาย ทั้งภายนอกภายในดูตลอดทั่วถึงหรือจะดูในอาการใดก็าตามที่เป็นความถนัดกับอัตยอาศัยของตนในขณะนั้นก็าตามให้พิจารณาเป็นแต่เฉพาะสิ่งนั้นแล้วก็จะค่อยซืมราบไปสู่อาการทั้งหลายซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันหมดไม่มีอะไรขัดแย้งกันถ้าพูดถึงว่าอาุภะอันนี้อาุภะอันนั้นเป็นยังไง ซึมซาบไปไหนทั่วสกุลกายมมตั้งแต่กองอสุภะอสุพังทั้งนั้นแล้วก็ทุกขังอนัตอ น, นิจจ์อนัตตาก็เป็นไปในเกี่ยวเดียวกันนั่นเองไม่ได้ไปแยกไปแยกที่ไหนละ่ะมีการพิจารณาทางด้านปัญญายัางถือเอาคาำถนัดของเจ้าของเป็นเกณฑ์อีกเช่นเดียวกันกันกบคําบริกรรมที่เราฝึกหัด เพื่อความเป็นสมาธิของจิตในเบื้องตน้นเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเราจะจับจุดไหนเป็นเครื่องพิจารณาเราจะจ่อจิตตรงจุดไหนใช้ความค่อยควรพิิพิจารณาในจุดไหนก่อนซึ่งเป็นเหมือนกับเราจ่อไฟเข้าสู่เชือเชือไฟมันจะค่อยลุกลามไปเองขอให้สติบังคับอยู่กับ งานของจิตที่ทํำยาให้เผลอไฝไปไหนเพราะจิตเมื่อยังไม่เคยเห็นผลกับทางด้านปัญญามักจะทะเลทลายแม้จิตเป็นสมาธิอยู่แล้วมีความสงบอินตัวในอารมณ์ก็มักจะทะเลทลายเข้าสู่ะให้ไปที่อื่นไม่ค่อยไปแล้วเข้าสู่ความสงบ เพราะเห็นว่าการพิจารณาทางด้านปัญญานี้เป็นความยากความลำบากไม่อยากทุกข์อยากลำบากก็กลายเป็นความขี้เกียจขี้ค้านไปด้วยการอยู่สมาธิไม่ต้องทํางานโดยกิริยาอาการของจิตใดๆทั้งสิ้นไปเสียหนักนี่แหละมากทะเ ล, ลายอย่างนี้แต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิไม่มีความสงบบ้างเลยนั่นจะพาให้พิจารณาแล้วไปใหญ่คําว่าปัญญามีแต่ชื่อแต่เบื้องต้น ที่เราจะจอเข้าไปว่าให้เป็นปัญญาแล้วจะกลายเป็นทัญญาอารมณ์ไปเลยเป็นเรื่องของสมุทัยฉุดลากไปได้ทั้งวันทั้งคืนเพลินไปเป็นโลกเป็นสงสารไปหมดนั่นนี่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเหตุผลต้นปลายของจิตเกี่ยวกับเรื่องสมถะเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาได้เป็นอย่างดีเพียงเราเรียนมาเฉยๆนั่น มันเป็นปัญญาเพราะความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงที่เป็ น, น, นกับตัวเองของผู้ปฏิบัติเราเรียนมาอย่างไรเราก็จําไปได้อย่างนั้นแล้วกับคาดไปหมายไปถูกไม่ถูกก็หมายกันไปอย่างนั้นไม่ว่าท่านมาเราเหมือนกันหมดจึงถือเอาความจริงไม่ได้ถือเอาความแน่นอนไม่ได้แล้วก็เชื่อตัวเองไม่ได้ เ, เมื่อได้พิจารณาทางด้านปัญญา โดยภาคปฏิบัติดังที่กล่าวนี้ก็ดังที่ว่านี้เองคือกำหนดลงในจุดใดให้สติเป็นเครื่องควบคุมจิตใจให้ทำงานกับอาการนั้นๆโดยทางปัญญาเช่นจุภะอาพิจารณาหรือจะท่องเที่ยวหมดทั้งสกุลกายเบื้องบนเบนืบ้องล่างด้านขวางสถานกลางเรียกว่าเที่ยวกับมาฐานในร่างกายนี้ก็ไม่ผิดเที่ยวให้เพลินอยู่ในนี้ดู ไปตามอสุภะอสุพังเหมือนก็เหยียบย่างก้าวเดินไปบนกองอสุภะอสุพังที่มีอยู่เต็มร่างกายของเรานี่แหละเรียกว่าเที่ยวกะมาฐานจิตปัญญาก้าวเดินไปตามอสุภะอสุอสสมมพังเอาสมมติเราพิจารณาไปทางไปทางไหนก็ก้าวเดินไปตามอสุภะในทางนั้นของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายนี้นะครับ ไปทางหนังไปทางเนื้อเอาไปทางแข้งขาอวัยวะส่วนไหนมันก็มีแต่อสุภาเป็นตัวเพราะฉะนั้นถึงว่าก้าวเดินเหยียบไปตรงนั้นไปบนกองอจุภาอสุพังนั้นคําว่าเหยียบไปคือปัญญาจิตรู้ไปปัญญาจอดจ่องไปสติควบคุมไปกับอาการนั้นๆันี่เรียกว่าเทีเ่ยวกรรมาฐานบนกองอสุภาคือป่าชาติพิดิบของเราเองดูอย่างนี้การพิจารณากรรมาฐาน ถ้าเราอยากจะเที่ยวอย่างนี้ก็เที่ยวได้นี่เปิดโล่งให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในการพิจารณาเพื่อความสะดวกตามจดิษนิสัยของแต่ละลายที่จะก้าเดินปัญญาด้วยวิธีใด <c oughs> เดินอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> หรือจะพิจารณาเป็นบางส่วนแห่งร่างกายเพื่อความถนัดชัดเจนกับส่วนนั้นอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดสําคัญที่ความถนัดใจนั่นแหะเป็นของย่อมขันมาก และจากนั่นไปก็จะแยกแปลวัยวะใดส่วนใดมันก็เหมือนกันหมดก็เป็นที่ลงใจได้ว่าแม้พิจารณาส่วนเดียวเท่านี้ก็พอแล้วในความรู้ทั้งหลายกับอาการต่างๆของร่างกายนี้ไม่มีอะไรผิดแปกกันเลยเราพูดถึงว่าอสุภะก็อสุภะหมดทั้งตัวนับแต่ชิ้นหรือ ส, ส่วนที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้จนกระทั่งถึงอวัยวะทุก ส่วนของหน้านกายนี้ก็เป็นอสุภะทั้งมวลหาความสะดสวยงามที่ไหนไม่มีเลยมีตั้งแต่ความสกรปรกโสมมเราอยู่ด้วยความสกรปรกเป็นอยู่ด้วยความสกรปรกในตัวของเรานี้คือตัวอสุภะมีหนังที่พอดูได้บ้างหุ้มหอเอาไว้จะเรียกว่าฟอพลางตานี้ก็ไม่ผิดพอเปิดอันนี้ออกไปแล้วจะเยิ้มด้วยปูโพโลหิตน้ำเ น, น่าน้ำหนอง เต็มไปหมดตั้งแต่เนื้อแต่เอ็นแต่กระดูกเข้าไปภายในมีลึกเขบาไต่ไรยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจของตราเองนี่จะไม่เรียกว่าเราอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันเราก็หลงสิ่งเหล่านี้ตลอดมาท้นกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนไปเลยนี่การพิจนาอสุภะอสุปัง ให้พิจารณาอย่างนี้ทีนี้จะแยกเป็นเรื่องทุกขังเป็นอนิจจังอนัตตาก็แยกอยู่ในนี้ทุกข์ขังเป็นยังไงอวัยวะส่วนไหนเสริมเราให้มีความสุขนอกจากบีบหรือกดเราให้เป็นทุกข์ลำบากกระเทือนถึงใจถึงใจยุติเวลานอกจากเป็นทุกข์ในส่วนร่างกายนี้แล้วยังเป็นเครื่อง ซึมซาบเข้าไปสู่ร่างกเข้าไปสู่จิตใจกระเทือนจิตใจของเราให้เป็นทุกข์อีกเรียกว่าเป็นทุกข์สองชั้นภายในตัวของเราอันนี้จังแปลหรือไม่แปลเราก็รู้อยู่ทุกอาการของร่างกายทุกอาการของจิตที่แสดงออกมีแต่เรื่องกฎของอนิจจงเดินตามกฎอ น, นิจจงอีกเหมือนกันเช่นเดียวกับเราเดินกรรมฐ า, านในร่างกายนี่ เ, เพราะอ น, นิจจงก็เต็มอยู่ในส่วนเดียวกันนี้เดินไปด้วยกัน ทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันทุกชิ้นทุกส่วนในร่างกายของเหล่านี้มีอะไรที่จะควรยึดควรถือเป็นเราเป็นของเราไม่มีตั้งแต่ไหนแต่ใดมาตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งบัตรนี้ก็ไม่ปรากฏว่าอันใดเป็นอัตตาคือตัวตนของเราโดยแท้จนกระทั่งวันตายมันก็เป็นของมันอยู่เช่นนี้แต่พิเรฒมันดื้อมันด้านมันถุดมันาเราสมกับเรานี่ก็โง่มากถ้าพิเรฒเสกสรรปั้นรอออกมาในเรื่องใด กิยาอาการใดจะเชื่อทันทีทันทีโดยไม่รู้สึกตัวเลยแต่ถ้าเรื่องอัดเรื่องธรรมแล้วก็ต้องได้ฝึกได้ปือกันหรือได้ทรมานกันดัดกันอย่างหนักไม่เช่นนั้นมันก็ไปไม่ได้นี่นีแหละให้พากันจําเอาการพิจารณาร่างกายนี่ถือทางด้านปัญญาเป็นเช่นนี้ที่แรกพิจารณาอย่างนี้ขั้นต่อไปจิตมีความซุมทราบ ด้วยอสุภะอสุพังประจกักษ์ใจแล้วจะมีความเพลินในการพิจารณาเรื่องอสุภะก็เพลินเรื่องความแปรสภาพก็จะเพลินเรื่องอนัตตา ม, มองไปไหนก็มีตั้งแต่เราไปหลงเป็นบ้ากับเขาเฉยๆเขาไม่ได้มีอะไรเรากไปหลงเสกสรรปัญญแล้วก็ยึดก็แบกก็หามเอาว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นเมื่อปัญญาอย่างซาเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็จะละอายตัวเองไปโดยลําดับลาดาแล้วยอมพระพุทธเจ้าไปโดยลําดับเช่นเดียวกันนั่น มีการพิจารณาทางด้านปัญญานี่ท่านว่าสมถะ ธ, ธรรมวิปัสนาธรรมสมถะก่อนในวงกรรมฐาน40อันใดที่เหมาะสมกับจดนิสัยของเราให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัตินำสิ่งทำบทนั่นเข้ามากำกับใจไม่ว่าจะเดินจะเหินจะอยู่อิรยาบทใดความรู้กับกับสตินี้กับคำบริกรรมให้ ติดกันแนบสนิทอยู่ตลอดเวลานั่นและที่ว่าความเพียรในทางสมถ ะ, ะดำเนินอย่างนั้นจนกระทั่งจิตมีความสงบเย็นเย็นครั้งเมื่อเย็นครั้งนี้แล้วสงบครั้งนี้แล้วครั้งต่อไปก็อย่าไปยึดมาเป็นอารมณ์ว่าครั้งที่แล้วมาเราทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าตั้งความอยากไปสู่อดีตคืออตีตารมจะเป็นการ ิจากหลักปัจจุบันที่เคยได้รับความสงบมาแล้วสงบเพราะหลักปัจจุบันต่างหากได้แก่คำบริกรรมกับจิตติดแนบกันด้วยความมือสติควบคุมอยู่เท่านั้นนี่หลักเกณฑ์ของการภาวนาเพื่อความสงบใจการพิจารณาเมื่อถึงจิตมีความสงบได้พอประมาณแล้ว่วหยุดจากความการ ภาวนาเพื่อความสงบนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาเป็นคนวาระไม่ใช่วาระเดียวกันแล้วเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้เป็นการพิจารณาทางด้านปัญญาจริงๆไม่ต้องห่วงสมาธิในขณะที่เพื่อความเป็นสมาธิเพื่อความสงบใจก็ไม่ต้องห่วงปัญญาให้ทำงานคนละเวลาไม่ให้ก้าวไก่กันไม่เป็นห่วงห่วงหน้าห่วงหลังมันจิตเป็น <c oughs> เป็นสัญญาอารมณ์แล้วจะทาอะไรไม่ค่อยได้ เหตุได้ผล <c oughs> ไม่เป็นชิ้นเป็นอันจุดท้ายก็โรเล่การพิจารณานี่เราพูดถึงเรื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาสมถะธรรมก็ดังที่กล่าวมานี้ท่านไม่แยกไม่แยะไปที่ไหนวางไว้เป็นกลางๆโดยยกธรรมสีพ้องนี้ออกมาชี้แจงแสดงให้บรรดา ผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังทั่วถึงกันแล้วแต่ท่านผู้ใดจะถูกกับเจดีย์นิสัยในทําบทลายแล้วยึดนําไปปฏิบัติต่อจิตใจของตุนด้วยทําบทนั้นบทนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องวิปัสสนาก็ท่านก็ให้พิจารณาดังที่ว่ามาเนี่ยเนี่ยพิจารณาอย่างนี้นี่ซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงามราบรื่นไปโดยสม่ําเสมอไม่ผิดถ้าพูดถึงเรื่องเขาวิ น, นัยก็ท่านก็ ก็พาปฏิบัติดำเนินไม่มีคำว่าหลุดว่าตกหลุดไม้หลุดมือไปด้วยเจตนาอย่างนี้ไม่ปราท่ันเก็บเล็กผสมน้อยไปหมดพระวินัยก็คือพระอาวาติของพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือพระอาวาติเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเป็นสายทางเพื่อความแค็งแร่ปลอดภัยหมดไม่ใช่สายทางที่จะเราทาเราให้ล่มจมสิ้หายไปไหน เพราะการเคารพและปฏิบัติตามหลักทำหลักวินัยเพราะฉะนั้นเราจรึงยาตื่นไปไหนกิเลสถุดลากไปไหนมันจะวิ่งนะอรวเดเร็วที่สุดด้วยกิเลสเรื่องพระวินัยข้อใดก็ต่อไปก็เห็นว่าไม่สําคัญไม่สําคัญสุดท้ายไม่มีอะไรสําคัญเลยทำรรก็ไม่สําคัญวินัยก็ไม่สําคัญก็สําคัญแต่ความเห็นความรู้ความต้องการของเราอย่างเดียวนั่นแหละคือตัวกิเลสเข้าทํา ง, งานอย่างเต็มที่แล้ว คนนั่นหมดฝังไม่มีทางก้าวเดินได้เลยทั้งๆ ท, ที่สำคัญตนว่าวิเศษวิโสเลือดเลือรอะไรก็ก็สำคัญไปเป็นเรื่องของกิเลสพาสำคัญทั้งนั้นสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวหาหลักหาเกณนไม่ได้พญานขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดหลักที่เคยดำเนินและเคยได้แสดงให้ฟังอันเป็นแนวทางของพ่อแม่ครูอาจารย์ดาเนินมาซึ่งไม่มีทางผิดจากหลักธรรมหลักวิ น, นัยเป็นความ กรมคืนถูกต้องกันไปได้ทั้งนั้นไม่มีคำที่จะได้ตำหนิติเตียนท่านว่าพาดำเนินผิดอย่างใดเลยเท่าที่ได้สังเกตท่านตลอดมาจนมาทั่งวาระสุดท้ายที่ท่านจากไปยังเป็นมติยปทาที่นอนใจได้ไว้ใจได้นอกจากเราไม่ไว้ใจเราเท่านั้นเรายังไม่ไว้ใจเราตรงไหนจุดไหนข้อใดให้เน้นหนักให้สนใจให้แก้ไขให้ดัดแปลง ให้ฝึกให้ทรมานตนในจุดนั้นเพื่อความแน่ใจตายใจไปโดยลำดับนี่เป็นของสำคัญมากหากไม่ทำอย่างนี้แล้วจะไม่ได้หลักได้เกณฑ์เลยจะไปศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ใดก็ตามกี่ร้อยกี่พันองค์ก็สักแต่ว่าไปไม่ได้หลักได้เกณฑ์เพราะเราไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์นในตัวของเราเราไม่มีความเข้มงวดกวดขันในตัวของเราจึง ไม่ได้เรื่องได้ลาวไปหาอาจารย์ อ, องค์นี้ก็เลหลวไหลไปหาอาจารย์ อ, องค์นั้นก็เลหลวไหลเลยมีแต่ความเหลวไหลไปหมดหาอาจารย์ อ, องค์ใดก็เลหลวไหลเพราะตัวของเราเองเป็นตัวเลหลวไหลไปที่ <erecht. S 1> ไหนจะเป็ น, <S 2> <S 2> <ๆ>ปนความศักด uh> ิ์สิทธิ์พิเศษได้หลักได้เกณฑ์เป็นไปไม่ได้ถ้าเราเป็นผู้เหลวไหลแล้วต้องตั้งหลักตั้งเกณฑ์ไว้กี่ตัวของเรานี่เป็นของสําคัญมากเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ตายใจได้แล้ว ถ้าใครได้เกาะอมไม่ปล่อยวางแล้วผู้นั้นเป็นที่อบอุ่นอบอุ่นอยู่ภายในจิตใจของเรารู้ในใจของเราอย่างชัดเจนยิ่งกว่าเรารู้สิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะความชัดเจนในธรรมทั้งหลายด้วยภาคปฏิบัตนินี้ชัดเจนมากกว่านั้นชัดเจนจนเกิดความสะดุดสังเวช เห็นประจักษ์ใครไม่เห็นก็ตามท่านมอบไว้กับผู้ปฏิบัติที่เรียกว่าสันทิติโกเป็นผู้เห็นเองก็เพราะผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัตินั่นเองเป็นผู้จะเห็นเองผู้ไม่ปฏิบัติจะเห็นจะรู้ไม่ได้อย่างที่ท่านพูดว่าปัจจังเวยิตวินยูก็เหมือนกันกับสันทิติโกนี่แหละคือมอบให้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นประจักษ์กับตัวของเราเองนี่ถ้าเรายืด ทั้งหลักธรรมหลักวินัยไว้อย่างแน่นหนามันคงแล้วเราจะมีความอบอุ่นถ้าพูดถึงเรื่องความอบอุ่นก็อบอุ่นภายในใจของเราถ้าว่าเย็นก็เย็นไม่มีอะไรเทียบได้แล้วนี่คือความเป็นผู้ฝากเป็นฝากตายกับหลักธรรมหลักวินัยเป็นผู้รับความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในปัจจุบันนัจิตปัจจุบันนธรรมซึ่งมีอยู่กับใจของเราเองดวงเดียว น, นี้อยู่ที่ไหนก็เย็น แล้วอย่าฟุ้งเฟอ้อเหอะเหมิมเราเคยเป็นมาอย่างไรโลกนี้เคยเป็นมาอย่างไรบ้างพิจารณาเจคำความว่ามืดคำ ว, ว่าสว่างหรือมือดแจ้งนี้เป็นมาเท่าไหร่เรานับได้ไหมว่ากี่กับกี่กันที่เคยมืดเคยแจ่เคยแจ้งเคยมืดเคยสว่างมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นด้วยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ และยังจะมีคำว่ามืดว่าสว่างไปนี้ไม่มีสิ้นสุดยุติลงได้หาจุดที่หมายไม่ได้เลยก็มีแต่มืดกับแจ้งเราบังออไรกับมืดกับแจ้งนี้คำว่ามืดกับแจ้งนี้ก็เป็นตาหูของเรานี่เองเอวัยวะของเราไปสัมผัสสัมพธ์แลให้ความหมายว่ามืดว่าแจ้งตัวปูมืดตัวธรรมชาติที่มืดหรือแจ้งเองนั้นเขาไม่มีความหมายเขาไม่มีความรู้สึกตัวของเขาเลย ดินฟ้าอากาศก็เหมือนกันเย็นดอนอ่อนแข็งเขาไม่มีความรู้สึกตัวของเขาเลยต้นไม้ภูเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกอันนี้ไม่ปรากฏว่าเขามีความรู้สึกของในตัวของเขาเลยแต่จิตของเราเป็นตัวรู้แต่มันรู้ด้วยความจําปรอมจึงประรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนั้นสวยสิ่งนี้งามสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งอันนั้นร้อนอันนี้หนาว อันนั้นเย็นอันนี้มืดอันนี้แจ้งว่ากันไปว่ามาหยุดไม่ถอยว่าอยู่หัวเจ้าหัวใจของเราคนเดียวทำงานอยู่คนเดียวโดยที่สิ่งวันนั้นมาไม่มารับทราบจากความรู้ผีบ้าอันนี้เลยเอาฟังให้ดีนะความรู้นี่มันเหมือนบ้ามันไม่เหมือนอะไรนะเอาปฏิบัติเข้าไปคํานี้จะกังบาในหัวใจทั้งกันทั้งหลายเมื่อมันรู้เข้าไปชัดเข้าไปชัดเขา้เขาไปแล้วจะไม่มาตําหนิตัวเองจะไปตําหนิที่ไหนโอ้โหบ้ามาไปตั้งแต่เมื่ อ, อไหร่จิตดวงนี้หน้านั่น สิ่งนี้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมาแล้วเราทำไมถึงเอามาหลงเอานักเอานาตาก็มีหูก็มีไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกจึงต้องหลงต้องลืมในสิ่งนี้หูก็ดีตาดีแต่แต่มันมันหลงทั้งตาดีหูดีทั้งจิตก็ไม่ใช่จิตคนเป็นบ้าแล้วมันก็ยังหลงได้ขนาดนี้จะให้ให้ว่าอย่างไงถ้ามันไม่เรียกว่าเลยบ้าไปหนักมนันเห็นโทษของเจ้าของด้วยการพิจารณา โดยนำธรรมะเข้าไปเป็นเครื่องสองทางมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นรําคัญในการดําเนินจะ ต, ต้องรู้ต้องเห็นอย่างที่ว่าในทั้ทงนั้นแล้วจะไปตื่นเต้นอะไรเมื่อสิ่งใดก็เคยมีอยู่ยังไงก็มีอย่างนั้นสิ่งที่เคยเกิดยังไงดับยังไงเขาก็เป็นของเขาอยู่างนั้นตามหลักอันนี้จังท่านก็พูดไว้แล้วนี่ว่าทุกครั้งบีบที่ไหนร้อนเขาไม่ทราบว่าเขาร้อนแต่เรานี่เป็นผู้ร้อนเราเป็นผู้ทุกข์ หนาวก็เขาไม่รู้ว่าเขาหนาวอากาศที่ว่าหนาวหนาจนกระทั่งถึงน้ํากลายเป็นน้าแข็งไปน้ําแข็งก็ไม่ทราบตัวเองว่ายเย็นประการใดผู้ที่ทราบก็คือผู้ที่สัมผัสได้แก่ตัวของเราเองไปสัมผัดก็ว่าเย็นตัวของเราไปสัมผัสก็คือใจของเรานั่นแหละเป็นผู้รับทราบมีผู้นี้เท่านั้นเป็นผู้ไปตาําหนิติชมว่าสิ่ง น, นั้นดีสิ่ง น, นี้ไม่ดีสิ่ง น, นั้นเย็นสิ่ง น, นี้ร้อนสิ่ง น, นั้นแข็งสิ่ง น, นี้อ่อน ทั่วโลกดินแดนมาสัมผัสจ้ำพันธ์กับผู้รู้นี้แห่งเดียวซึ่งเปิดงานไว้แล้วโรงงานไว้แล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายก็มีวันปิดงานก็คือใจของเราทํางานนั่นเองโรงงานอื่นๆเขาเปิดได้ปิดได้เปิดเวลาทันนั้นปิดเวลาเทันนี้แต่โรงงานคือการทํางานของใจด้วยความคิดความปรุงด้วยความสําคัญมั่นหมายนี้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายไม่มีวันสงบเงียบ ให้ดอยู่พัฒสุขสบายด้วยคำว่าปิดตรงงานได้จะปิดกิริยาของใจให้อยู่ความสงบเยนใจปกติไม่เคยมีนั่นและสิ่งเหล่านี้มีได้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องได้นำเรื่องเข้ามาเทียบเชียงกันถ้ามีตั้งจะเป็นบ้าอยู่ด้วยกันหมดทั้งโลกดินแดนนี้แล้วใครจะสอนใครได้ฟังเสร็บอดก็บอดด้วยกันหนก็ห น, ก, หนกด้วยกันไม่มีผู้ตาดีหูดีเขาว่าโง่ก็โง่ด้วยกัน ไม่มีผู้ฉลาดเลยอย่างนี้ใครจะมาสอนใครได้นี่ผู้ฉลาดยังมีผู้มีหูดีตาตาดียังมีผู้มีความเชีย่ยวชาญระดัมคมครอบโลกธาตุยังมีจึงต้องได้นําโลกธาตุมาสอนพวกเราได้แก่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกท่านสงสาวกทั้งหลายเป็นดับปัญดา ม, มาท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้สัมผัสสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้รู้แล้วเห็นแล้วแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นหินรับปัญญาของท่านให้คมกล้าขึ้นเดิมดับเพราะความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ จนกลายเป็นความรู้สึกขึ้นมาทําไมท่านจะไม่เห็นไม่รู้นี้อย่างชัดเจนแล้วทําไมท่านจะนํามาสอนพวกเราโง่ๆนี้ไม่ได้ละ่ะฟังซิน่านักท่ากว่าเป็นอย่างพวกเรานี้จะเอาอะไรไปสอนกันแต่เราเองก็ยังไม่รู้ที่จะแก้ไขยังไงแล้วไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพิษถ้ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพิษมันจะติดพันไปแลนักหน า, นาตาเห็นรูปก็ติดพันแล้วรูปอะไรก็ไม่ไม่เคยได้คิดได้พิจารณาติดพันแล้วติดพันแล้วเสียงก็ติดพันแล้ว ไม่ว่าเสียงดีเสียงชั่วติดทั้งนั้นติดทั้งนั้นรูปดีรูปชั่วติดทั้งนั้นเราอยากเข้าใจว่าจะไปติดตั้งแต่รูปดีรูปชั่วไม่ติดเลยรูปดีก็อยากดูรูปไม่ดีลองคนน้อยเปียเสียแข้งเสียขาเดินผ่านมานี้ตาจ้องเข้าไปยิ่งก็าตาแมวทั้งนี้มันมันอยากดูทําไมตาของอย่างนั้นเนี่ยมันก็ติดมันถึงอยากดูหูก็อยากฟังเขาเสียงดุเสียงดา่าเสียงแข้งเสียงอะไรก็อยากฟังเสียงขับราทําเพลงก็อยากฟัง เสียงอะไรอยากฟังทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับตัวหลงนี่แล้วคือใจเนี่ยซึ่งทางเดินของมันออกทางตาหูจมูกเลี้ยกายอยากไปหมดไม่มีความอิ่มพอเลยก็คือใจดวงโง่โง่งนี่เองมันหิหวโหยบรรจุความหิวไว้เต็มเอียดในหัวใจหาที่ช่องออกไม่ได้เลยมีดตัดเข้าแน่นเข้าแน่นเข้านั่นถ้าไม่ได้ทําเข้าไปเปิดไม่ได้ทำเข้าไปรล้บเบิดมันให้มันแตกกระจาย ก, ก, กว่าแล้วความอยากนิด กีกับกีกันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปจึงเรียงของวัฏฏะวัตฏะมันหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะกิเลสนั่นเองเป็นไปให้เป็นกิจเป็นวัฏฏะไม่ใช่อะไรนะเราอยากเข้าใจว่าดินฝ้าอากาศดังที่กล่าวมาแล้วนี้มันเป็นวัตฏะไม่ได้เป็นเขาเป็นเขาตามหลักธรรมชาติของเขาเราหไปสัมผัสสัมพันธ์ด้วยวัตฏิกิจทั้งเหล่านี้แล้วก็หลงสิ่งนั้นสงสิ่งนี้แล้วกว้านทุกข์เข้ามาหาตัวเองแล้าตื่นลมตื่นอารมณ์ตัวองตื่นเงาของตัวเอง อาการของจิต ท, ที่ออกไปมันก็เหมือนกับเงาก็ตื่นเงาตัวเองสองชั้นสามชั้นตื่นเงาในสภาวะธรรมทั้งหลายที่จิตไปสัมผัสนั้นแล้วยังไงแล้วมาตื่นอันความ ส, สัญญาอารมณ์ของตัวเองนี่อีกตื่นไปตื่นมาอยู่นี้ตลอดเวลามันต้องกับเมื่อไหร่นั้นเคยอิม่มเคยพอไหมนี่เรื่องโรคเป็นเช่นนี้หาพิจารณาด้วยทางปัญญาแล้วทําไมจะไม่รู้เรื่องของเขาเมื่อรู้ตามหลักความจริงแล้วก็ต้องปล่อยเข้ามาปล่อยขามาดดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วกี่ครั้งกี่หนนี่ปัญญา เลยสิ่งเหล่านั้นเลยกลายเป็นหินรับปัญญาได้โดยลำดับลำดัรับเข้ามารับเข้ามาหมุนเข้ามามีความคล่องแคล่วแก้วกล้าเฉลียวฉลาดแหลมคมเข้ามาโดยลําดับและตั้งแต่ขั้นหยากถึงขั้นละเอียดละเอียดสุดหนั่นฟังดิเมื่อเต็มที่แล้วปล่อยได้หมดโดยประการทั้งปวงซึ่งตั้งแต่เกิดมาเราก็ไม่เคยได้ปล่อยและไม่ไม่ไม่ไมว่ากับใดกันใดจิต ด, ดวงนี้ท่องเที่ยวมากกิดกับกันไม่เคยได้ปล่อยเพราะยังไม่รู้ต้องแบกต้องหาเมื่อรู้แล้วใครจะทนแบกไว้ได้ล่ะ ก็รู้ว่าฟืนว่าไฟรู้ว่าอับสรพิษแล้วกอดไว้ทําไมถ้าไม่อยากตายเนี่ยมันก็ต้องฉลัดปัดทิ้งทันทีนี่ท่านบอกว่ายาพิษเราไม่รู้แล้วก็เพลินเมื่อรู้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องของปัญญาที่กล่าวให้ฟังนี้ที่อธิบายให้ฟังนี้คือเรื่องของปัญญาตั้งแต่เริ่มแรกก็ขึ้นนี้ก่อนขึ้นในเรื่องอสุภะอสุพังเอาร่างกายเจ้าของเป็นที่ตั้งเหมือนว่าเป็นเชือกไฟจ่อ ไฟคือสติปัญญาเข้าตรงนี้ก่อนแล้วก็จะค่อยกระจายออกไปกระจายออกไปกระจายไปทั่วโลกดินแดนเห็นไม่เห็นก็ตามเถอะอันเรื่องความจริงนี่มีกระเทือนกันหมดทั่วดินแดนนั่นเองทาไมจิตซี่เป็นนักรู้ทาไมจะไม่รู้สิ่งที่หลงไม่เคยเห็นมันก็ยังหลงได้เมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาไม่เคยเห็นก็ตามมันก็ทราบได้ตามหลักความจริงและถ อ, ถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามานี่เรื่องของปัญญา แล้วเมื่อสรุปความลงแล้วที่กลามาเหล่านี้เราตื่นอะไรทำสิทิ้งเหล่านั้นเขาไม่มีอะไรแต่เราไปตื่นเขาไปติดเขาเราไม่อายเราบ้างเหลือเราเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติลูกศิตย์ทศาคตรปรุงอัดกรหานผู้อาชาญชัยผู้เฉลียวฉลาดที่สุดเลยก็ไม่มีใครเกินประพูดที่เจ้าเสียด้วยแล้วลูกศิษย์ทศาคตทําไมถึงโง่เ ง, ง่าเต่าตุ่นเอานั่งหนาติดเห็นอะไรติดนั้นพันอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันละ ลืมหูดื่มตาเลยมีแต่วันหลับตาเดินหลับตานอนหลับตาก้าวไปก้าวมาหลับตานั่งลับตาตลอดเวลาหาความดื่มตาด้วยสติปัญญาบ้างไม่หนีเลยสมแล้เหลือสมเหตุสมผลหรือกับว่าลูกศรถากดนะสมเหตุสมผลนั่นหรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติมันปฏิบัติยังไงปัจจุบันนี้ปฏิบัติยังไงดูเจ้าของดูหัวใจเจ้าของสิมันปฏิบัติยังไงมันถึงไมได่ดูได้เห็นสิ่งซึ่งความจริงทั้งหลายมีอยู่ตลอดเวลาทั้งภายนอกภายในมีอยู่ตลอดเวลา ควรู้อันนี้ก็รู้ตลอดเวลาทํามันไม่รู้ในจุดที่ควรจะรู้ในจุดที่ควรจะละบ้างะ่ะถ้าหยิบมีปัญญามันต้องรู้มันต้องละได้อันนี้มันก็รู้แบบกิเลสลากไปลากไปรู้อะไรก็รู้เป็นเรื่องของกิเลสไปหมดให้กิเลสพารู้ให้กิเลสพาหลงให้กิเลสพาักพาจงังให้กิเลสพาติดพาพันไปเสียหมดมันก็มีเวลาปล่อยตัวได้แล้วสิถ้าไม่มีปัญญาเข้าแทรกเลยแล้วหาทางออกไม่ได้นะวัดตาวัดตะจมูกอย่างนี้ตลอดไปมีใครที่จะพูดให้ แม่นยำยิ่งกว่พระพุทธเจ้าเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองคาว่าเลือกม็มีใครเป็นคู่แข่งนั่นตรัสรัตน์พระวจนมาในคำไหนก็เป็นสุขารธรรมคือตรัสไปชอบชอบทั้งนั้นถูกต้องแม่นยาไม่มีอะไราคาดเคลื่อนจากหลักความจริงนั้นเลยนี่ฟังดิเป็นยังไงฉลาดขนาดไหนพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราเป็นไหมถึงได้งู้นักอ่อนหนาไม่มีทางคิดทางอ่านมั่งเลยวันหนึ่งคืนหนึ่ง ดูไปกินไปนอนไปมไม่มีเวลาหลับลืมหูลืมตาเลยทํายังไงได้ไงแล้วตื่นห้าะไรมีอะไรที่ที่ที่มันพอจะให้ได้ดิบ ไ, ได้ดีได้ความวิเศษวิโสเลื่อเลอจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ก็ติดมาทนายเท่าไหร่แล้วเลื่อเลอไหมคนติดเลื่อเลอไหมข้ามาสัตตสตต์แปลว่ า, าวผู้ติดผู้คล้องอเดียเลื่อเลอไหมผู้ค้นแ ล, แล้วจากความติดคล้องต่างๆจนผู้เลิ่อเลอดังพระเจ้า สิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นที่จะพิจารณาให้เป็นปัญญาแล้วเป็นได้หมดเลยหากเป็นเอเ่ในหลักธรรมชาติดันที่เคยพูดแล้วที่แรกก็ต้องพาเก้าเดินซะก่อนถูถ่ายไปก่อนบังคับบัญชาไปก่อนเพราะาปัญญาจะไม่เห็นผลของตัวเองยังไม่เห็นผลก็ยังไม่สนใจเมื่อได้เห็นผลปรากฏขึ้นไปโดยลำดับแล้วความต้นใจมีมาเองความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามไม่ต้องบอกหมุนติ้วที่อยู่ไปเลยแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นหินรับปัญญาได้ทั้งนั้นทีเดียวเนี่ยการปฏ ทำมาสักดร้อนๆให้รู้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาและรู้อยู่ตลอดเวลาเช่นด้วยในสิ่งที่กล่าวมาหลังนี้หายไปไหนพอที่จะพิจารณาไม่ทันคว้าไม่ถูกรูปเสียงจินนสดเครื่องสัมผัสสภาวะธรรมทั้งหลายรอบอยู่ในตัวเราตั้งแต่สกุลกาญจ่์ไปที่จะให้จิตเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ให้เห็นผู้รับทราบทั้งนั้นจะมาทั้งทั่วโลกดินแดนรู้อยู่ตลอดเวลามีตลอดเวลาทําไมมันพิจารณากันไม่ได้นั่นถ้าไม่ใช่ว่าใจนี่มันคลื่อนเยอะเกิน มันล้าสมัยเสียละเกินมันมืดมันบอดเสียละเกินให้กิเลสปิดหูปิดตาไว้เสียจนกระทั่งหาทางยับออกไม่ได้เลยจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีความหวังนะเพราะพรพุทธเจ้าสอนนั่นหมดแล้วสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับเราทำไมพิจนามไม่เห็นนี่น่ะนั่นสาคัญมันเป็นยังไงจิตของเรามันอยู่ยังไงทุกวันทุกวันนี่มันน่าจะได้เห็นสิ่งที่มันทำให้ให้เพลิดให้เพลินให้ลืมเนื้อลืมตัวลืมเวลาก็คือสิ่งที่มันเคย ทำให้เพลินให้เพลิ น, ใ ห, นให้ลืมเนื้อลืงตัวมาแล้วทั้งนั้นนี่นะ่ะไม่ใช่เป็นของใหม่เป็นของเก่ามาแล้วนะมาปัจจุบันนี้มันก็ติดก็เพลินอยู่ตลอดเวลาง่วงงามง่วงงามอยู่อย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันชักมันจูงมันลากมันเข็นไปหาที่เป็นเพลินเป็นไแล้วก็ร้อนอีตลอดเวลานะไม่มีเวลาที่จะจิตจะมีช่องทางให้สติปัญญาพาก้าวเดินเบิกสิ่งเหล่านี้ออกไปให้กว้างขวางเห็นหลักความจริงเข้าไปําดับมาได้จนกระทั่งถึงเอาให้ พังโน่นหมดทุกสิ่งทุกอย่างพาในหัวใจของเราอะไรเกี่ยวข้องก็ตามพังลงหมดตรงหมดลงหมดหมด้วยปัญญานานมันไม่เห็นมีนี่นี่ที่มันน่า ท, ทุเลตเอาเหลือเกินผู้ปฏิบัติอแล้วก็เป็นยังไงเรื่องศาสนาะดูว่าสิทุกวันนี้ศาสนาเจริญหรือศาสนาเสือ่อมดูตั้งแต่ข้างนอกเข้ามาข้างในดูก็จะกระจายไปหมดทั่วโลกดินแดนเป็นยังไงในชาววงชาวพุทธของเราดีนาจ้ มันน่าทุเรศออกมากมายนะอดิ้นกันนม้แต่พระแต่เนรเราก็ไม่พน้นที่จะเป็นอย่างนั้นได้ไม่ว่าท่านว่าเรามันเป็นเหมือนกันใช่ายาไหแต่ความจริงมีก็ต้องนํามาพูดไม่ได้พูดตาหนิติเตียนพูดหนึ่งผูดด้ใดโดยเฉพาะแต่พูดตำหลักความจริงนี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะแก้ไขตัวของเราได้อย่างไรพี่หน้าใชไม่แก้แล้วไปไม่ได้นะยิ่งมืดมิดปิดตาเข้ามาสิ ที่จะเป็นปืนเป็นไฟมันคืบมันคลานมันเหมือนไฟลามทุ่งมันเพียงคืบเพียงคลานนะพราเราเปิดช่องเปิดทางให้มันมันก็เหมือนไฟลามทุ่งลามเข้ามาไหมหัวใจของเรานี่ยจะไหมที่ไหนน้ําดับไฟไม่มีสติปัญญาความภาคความเปลี่ยนไม่มีเอาอะไรดับกันกับไฟราคะตัญหาอความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นเรื่องของปืนของไฟทั้งนั้นมันเผาที่หัวใจแมันเผาที่ไหนแหละถ้าไม่มีทำเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันแล้วยังไงก็ ไม่พน้นเป็นอยู่อย่างนี้แหละนี่ยศาสนาเสื่อมดูออกดูที่หัวใจเรานี่พยายามที่จะทำจิตให้มีความสงบหยุดพักเครื่องบ้างชั่วขณะมันก็พักไม่ได้เครื่องอันนี้มันดีดมันดินมันหมุนเป็นวัตฏาวัตฐ์คือความหมุนยึดตัดเวลาภายในหัวใจของเรานี่หาเวลาสงบไม่ได้ถ้าจิตสงบบ้างนั่นแหละพักเครื่องผ่อนเครื่องอย่างน้อยผ่อนเครื่องลงไปแม้มันหมุนแรงให้หมุนเบาๆ เ, เหมือนอย่างพัดลมหมุนพอเบาๆจากนั้นก็ สงบแน่ลงไปหยุดตึ๊กนั่นมีได้ในวงปฏิบัติของพุทศาสนานี่ไม่สงสัยแต่มันไม่มีผู้จะทําให้มันเป็นอย่างนี้นั่นสิมันจึงไม่เห็นความสุขในการดับเครื่องในการผ่อนเครื่องคือหัวใจเรามันทํางานให้มันพักเครื่องบ้างนี่มันจะได้เห็นคุณค่าของการพักเครื่องเป็นยังไงคือความสงบทันเยา ว, ว่าสมาัธความสงบใจเมื่อใจได้สงบได้พักเครื่องทําเครื่องให้เบาลงผ่อนเครื่องอให้เบาลง แล้วถึงพักเครื่องแล้วผลเป็นยังไงนั่นเย็นสบายที่สุดเพราะฉะนั้นท่านผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วจึงติดสมาธิดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละพอสบายพอเข้าสู่จุดนั้นแล้วแน่วเลยจิตไม่ทำงานอะไรทั้งนั้นรู้อยู่โดยเฉพาะเป็นความรู้ที่ละเอียดแนบแน่นที่สุดก็คือสมาอ ป, ปนาสมาธิชื่อว่าอ ป, ปนาสมาธิเอาเข้ามาละได้นั่น มันเห็นประจักษ์เจ้าของสิงมันถึงได้พูดได้วะ่ะเราเรียนเขาเรียนมาจะมันจะเรียนมาด้วยความจําความจําจะเอาจะเห็นชัดเจนเหมือนความจริงเห็นได้ยังไงไม่เห็นพระญาณท่านถึงบอกว่าประหยัดแล้วให้ปฏิบัตินานปฏิบัติคือการก้าวเดินก็ต้องเห็นก่อนจรินี่จิตสงบลงไปแล้วเป็นยังไงแน่ว่นั่นไม่ทําการทํางานตาหูจมูกลิ้นกายไม่ทํางานเพคือคือทางเดินของจิตกิเลสของจิตไม่ออก อ น, นั่งก็สะดวกสบายอีกไปอีกแบบหนึ่งจิตก็แน่วตัวเองสงบแนว่วนอกจากความสงบแล้วยังเป็นความสุขความสบายรื่นเริงบันเทิ ง, งนั้นถ้าจะว่ารื่นเริงบันเทิงแต่บันเทิงในในธรรมทั้งหลายในความสงบนีไม่ใช่บันเทิงในความดีดินบันเทิงมีความสุขความสบายในความสงบนั่นเรียกว่าจิตพักเครื่องอันนี้ออกจากการพารักเครื่องเอาทำงานที่หนึงทำงานก็ทํางานทง า, นงางด้านปัญญาไปเสียไม่ใช่ อยี่เหลี่ยมมาคว้าไปทํางานจะทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งนอนหลับไปก็ละเมอเพราะเครื่องดับไม่เป็นติดขึ้นแล้วดับไม่เป็นเนี่ยก็คือพวกเร า, เราท่านๆเองเปิดตั้งแต่พอตื่นนอนไม่ช้ามันคิดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเราไม่รู้ว่ามันคิดขนาดไหนพอตื่นนอนขึ้นมามันคิดอยู่แล้วนั่นเนี่ยมันเปิดเครื่องจนกระทั้งหลับถ้าไม่หลับแล้วตายมนุษย์เราไม่มีเวลาพักเครื่องได้เลยล่ะขันพักมเได้ตายอันนี้ยั ง, ย, ง, ย, งยังพยังพอดีอยู่บ้างมีดีอยู่บ้าง พอมีเครื่องรั้งเอาไว้ได้แก่การหลับพอได้พักเครื่องบ้างเพราะพักทางสมาธิไม่เด่นพักทางสมาธิไม่ได้และไม่รู้เรื่องสมาธิเป็นยังไงด้วยนี่แม้แต่พูดที่รู้เรื่องของสมาธิด้วยการเรียนมาจากหมาเขาก็ยังทําไม่ได้ทําไม่ลงจะว่างไงให้ทำให้มันเป็นบั่งสิตามพุทธเจ้าส อ, สอนถ้าดําเนินตามหลักพุทธเจ้าแล้จะไปไหนปริญญาตเอาเรียนมาเรียนรู้วิธีการแล้วเอาทําลงไปทำไมจะสงบไม่ได้ขีดนี้เหนืหนออํานาจของธรรมได้หรือบังคับล ง, งไปด้วยชะตินั่น ให้อยู่นะ่ะก็สงบได้เมื่อสงบแล้วเห็นผลเห็นผลแล้วพอใจที่ต้องทาให้มากยิ่งกว่านั้นเข้าไปแล้วก็แน่แน่ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละที่นี่จนตายเป็นจิต พ, พักเครื่องอ้าวพอถอนออกจากพักเครื่องแล้วเอาเอ า, เอาเปิดเครื่องเปิดทางด้านปัญญาเปิดเครื่องก็คือทํางานทางด้านปัญญาอา้าวพิจารณาลงไปให้ เ, เห็นละเอียดเอาลงไปลงไปเราถึงเวลาที่จะพักเครื่องเครื่องมันร้อนเอาพักเข้าสู่สมาธิสูค่ความสงบเสียนาน พอออกพอเครื่องมันเย็นแล้วได้พักเครื่องแล้วอ้าวทางด้านปัญญานี่คือปฏิบัติท่าที่ราบรื่นท่านเดียวอาปั่นากาปฏิบัติาการปฏิบัติไม่ผิดคืออย่างนี้ในทางภาคจิตใจทางภาคคิดตภาวนาวิจารณ์อย่างนั้นคือการก้าวเดินออกด้วยปัญญาแล้วเข้าสู่ความสงบเป็นครัง้งเป็นคราวพักไปทําไปเรื่อยแล้วก็พักทําไปเรื่อยพักนี่ท่านมีในปริยัติทั้งท่านบอกไว้แล้วแต่เราไม่รู้เพอะเราไม่ทําเมื่อไม่ทําก็ไม่รู้ทําทั้งหลายเ่านี้ ท่านแสดงมาแล้วจากความรู้ความเห็นของจอมปราดทั้งนั้นแต่เราอ่านไปแล้วมันเป็นกิเลสไปหมดมันไม่สนใจความไม่สนใจมันเป็นไม่เป็นกิเลสจะเป็นอะไรมันไม่ถึงใจไม่สนใจจนต่อเมื่อเรา ไ, ได้ปฏิบัติแล้วเวลามันปรากฏขึ้นมามันก็รู้ทีนี้อ๋อ อ, อ๋แล้วนั่นเมื่อปฏิบัติลงไปแล้วเป็นมันรู้ยุ่แล้วก็ยอมรับยอมรับจนกระทั่งถึงวิมุตติุดพ้นก็ไม่พ้นที่ของในเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเครื่องดับเครื่องนี้เลย พักเครื่องเนะี่ยคือสมถะธรรมเป็นคู่เทียงกันไปเวลาปัญญาเก้าเดินนั่นคือปัญญาทํางานนั่นะเนี่ยว่าทํางานเมื่อทํางานมากก็เหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกันกับธาตุขันของเราเหมือนกันแล้วเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ้ของเราสู่ความสงบพอมีกาลังแล้วออกเก้าเดินเรื่อยเลื่อยจนกระทั่ทงทะลุปลุกปลงไปหมดแล้วเป็นยังไงจิดโรกอันนี้เขามาอะไรกับเราไหมจิต พลาดซะนทะลุปูปวงต่อยไปทั้หมดโดยประการทั้งปวงและสิ่งเหล่านี้มามีเยื่อใยกับเราไหมนอกแต่เราเยื่อใยกับเขาเราจะเป็นบ้ากับเขาที่นี่พอเรหายบ้านแล้วเขาเป็นยังไงเขาไม่เห็ยังเป็ น, ปนยังไงเขาก็เป็นนองเขาอยู่เหมือนกันนั่นหังยิ่งได้เห็นเรื่องความผิดถูกชั่วดีของตัวเองมีอยู่กับใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้นมีนี่เท่านั้นเท่านั้นน่ยมันไม่ได้ไปที่อื่นเพราะตัวนี้เป็นตัวรู้มันรู้ไปหมดหลงไปหมดรู้ไปตรงไหนหลงไปตรงนั้นนั่นไม่ใช่รู้ธรรมดามันรู้ด้วยด้สิ่งที่พาหลง มันต้องต้องหลงไปหมดถ้ารู้ด้วยสิ่งที่พารู้รู้ว่าไม่หลงพระพุทธเจ้าหลงที่ไหนพระสาวกอาราหารันหันทำยังไงให้หลงก็ไม่หลงเมื่อถึงขั้นรู้แล้วก็เป็นเช่นเดียวกับกิเลสเมื่อมันยังมีอยู่ในหัวใจแล้วทําังไงให้มันรู้มันก็ไม่รู้เมื่อมันปัดออกจากหัวใจจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วมีตั้งแต่ทํำล้วนแล้วให้หลงก็ไม่หลงนั่นมันโกงกันข้ามนั่นเอ ง, นะงอ๋อถ้าการพิจารณาผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ในศาสนาจะมีตั้งแต่ชื่อแต่นามมีแต่ตำหนับตำราเลยจะไม่มีอะไรความทักดิ์สิพิเศษในวงศาสนาในวงของชาวพุทธเราในวงผู้ปฏิบัติจะทํำยังไงเอาอะไรโชว์โลกไม่ได้ออืเขาทํางานอะไรเขาก็มีผลออกมาโชว์กันแม้แต่แม่ค้าขายของเขาก็ยังมีกำไรมาเอามาโชว์กันวันนี้ได้เท่าไหร่น่ะไปทํางานอะไรเขาก็มีผลมาโชว์กันเราเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาเอาอะไรมาโชว์ไม่เห็นปรากฏเลย ดิบดีตำหนิศาสนาซะด้วยอืว่าศาสนานี้หมดแล้วรักปุพุนภานไม่มีไม่เห็นเลยมีอะไรจําเป็นสินห้าก็ไม่จําเป็นสินแปก็ไม่จําเป็นสองรอยี่เจ็ดไม่จําเป็นสมาธิภาวนาไม่จำเป็นภาคปฏิบัติโดยการทั้งปวงไม่จําเป็นก็มีแต่เรียนเอาแต่เจดีชื่อเหมือนนกขุนทองออกมาได้แล้วก็มาคุยโม้กันเท่านั้นมีทั้งแต่ลมปากหน้าเหนือจําเป็นก็มีเท่านั้นแหละจําเป็นนี่ที่เลสกก็พาให้มันพาให้อวดนีสิมันก็จําเป็นอะไรที่ถ้าี่เลกเข้าแทรกที่ตรงไหนมันต้องจําเป็นเรียนมาเพียงจําได้เฉยมันก็ ก็ถือว่าเป็นของจําเป็นมาได้มารู้ว่าเป็นหลักนักปราัชญาแล้วท่านที่กรียนไม่ทะเลอกเลยเนี่ยดูาตัวนี่แหละตัวผู้เรียน่ยใครเรียนผมก็เคยเรียนมาแล้วนี่จะว่าไงไม่ใช่ผมดูถูกเหยียดหยามท่านผู้เรียนทั้งหลายนะเราพูดตามหลักความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงไม่ว่าท่านว่าเราต้องเป็นด้วยการนอกจากไม้พูดเฉยนี่นําออกมาพูดจังเปิดเผยให้รู้ตามหลักความจริงกีเลีเปิดเผยมันไม่ได้เหนือตั้งแต่มันเยียบหัวเรามันนําเหยียบได้เราเปิดเรื่องของกีเรีออกมาเพื่อพิฆายหรือเพื่อทําลายมันทําไมจะเปิดไม่ได้นั่น เอางงเห็นดังนั้นสิผู้ปฏิบัติมีศา ส, สนาจะมีแต่ชื่อเฉยๆนะไม่มีอะไรออกโฉนี่ทำยังไงแล้วผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นของต้องการมากที่ผู้ที่จะนําผลของศาสนาออกโฉได้ตั้งแต่สมาธิขึ้นไปแล้วเอาสมาธิขั้นใดถามอยากอ่ะใครจะถามถามมาว่างั่นเลยนั่นที่ว่าออกโฉได้แล้วมันประจักษ์เหมือนของอยู่ในร้านเราเอาเปิดออกไปดูเราจะได้อะไรด้วยอ่ะเอ า, เ, อาเข้ามาของสินค้าเหล่านี้มีอะไรบ้างต้องการอะไรเอาให้เลือกเอาเลยนั่น อ้าวคำว่าสมาธิก็ไม่ไม่ว่าสมาธิขันใดพร้อมหมดในห้างร้านอันนี้เอากล้าถึงนั่นปัญญาเอาเปิดออกมาให้เห็นหมดไม่ไม่ว่าปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางหรืออย่างต่ําอย่างกลางอย่างละเอียดละเอียดสุด ม, มีอยู่ในห้างร้านอันนี้คือพุท ธ, ธะได้แก่ตัวจิตตัวรู้นี้ที่เอิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัตินี่เต็มไปหมดอาวิมุตติดูดพ้นหาที่ไหนหาในคัมภีรก็เห็นแต่ชื่อของวิมุตติดูดพ้นหาโดยบาลานหาตำลักตำลาก็มีแต่ชื่อของตำลักที่มีอยู่ในตำลักตำลาไม่ใช่ตัว ปมมากผลนิพานไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญาหาในหัวใจของผู้ปฏิบัติล่ะสิเมื่อในผู้ปฏิบัติได้เจอเข้าตรงนี้แล้วจะไปหาที่ไหนที่นี่นั่นและโชได้เลยอืมไม่โชกับใครก็โชอยู่กับเจ้าของสันติติโกสันติโกปัจญาวิบตับ ต, บ ต, บติบวิบวินยู่ิประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจตลอดเวลาอากาลิโกฟังเสร็จทำเป็นอาการดิโกความไม่สุดก็เป็นอาการิโกนี่นันก็เห็นได้ชัดเลยผู้ปฏิบัตินี่แหละศาสนาพระเจ้าขอให้ปฏิบัติไปเถอะโชได้ในหัวใจเจ้าของ จะไม่โชวกับใครก็ตามไม่มีคำว่าจะเน่าจะเฟจะล้าสมัยไม่มีเอี่ยมมีตลอดเวลาด้วยอากาลิโกนั่นเอาละพอจ้งจากปฏิบับัน